ที่นั่งใครนั่งพื้นได้ก็นั่งขัดสมาธิใครนั่งก้อีอยู่ก็นั่งหลังตรงตรงนั่งขัดสมาธิก็นั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งหลังตรงตรงทำคอตรงตรงทำหน้าตรงตรง จะหลับตาหรือลืมตาก็ได้แต่นั่งทำความรู้สึกทาความรู้ตัวรู้ตัวว่าขณะนี้กายเรานั่งอยู่อิริยาบถของเราขณะนี้คืออยู่ในท่านั่งถ้าหลับตาก็นึกเห็นภาพตัวเองกำลังนั่งคัสมาธิหรือนั่งเก้าอี้หลังตรง นั่งสบายๆไม่ต้องเกร่งหลังตรงแต่ไม่ต้องเกร่งสติแปว่าระลึกรู้มีสติรู้กายก็คือรู้ว่ากายขณะนี้เป็นอย่างไรเห็นกายตามความเป็นจริงในขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เวลาเห็นกาย คืเห็นเฉยเฉยไม่มังคับกายนั่งนิ่งๆก็ปล่อยให้นั่งนิ่งๆิแล้วกายก็จะขยับเคลื่อนไหวตามปกติของมันคือมีการหายใจสังเกตการเคลื่อนไหวตามการหายใจของร่างกายหายใจเข้าร่างกายเป็นอย่างหนึ่งหายใจออกร่างกายเป็นอย่างหนึ่งหายใจเข้า กายพองหายใจออกกายยุบลงไปใครถนัดพุดทธโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็ได้แต่ถ้าเจริญสติดูความเคลื่อนไหวดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็ดูไปตรงๆกายขณะ น, นี้หายใจ มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพร้อมกับการหายใจของร่างกายแล้วไม่ต้องบังคับแค่ระลึกรู้รู้อยู่ระลึกได้ว่ากายนี้ขณะ น, นี้เป็นอย่างนี้ ไม่เผลอไม่หลงไม่ลืมระลึกได้รู้อยู่ ถ้ามีสักระยะหนึ่งหรือแว บ, บหนึ่งที่จิตมันเผลอไปมันไปฟังมันไปคิดแวบบนั้นขณะนั้นคือเผลอกายมีอยู่ก็ลืมรึกไม่ได้ไม่รู้ไปรู้เรื่องที่คิดไปรู้เสียงที่ฟังให้รู้ว่าขณะนั้นเมื่อกี้นี้เผลอไป ตอนรู้กายคือมีสติรู้กายตอนเผลอไปฟังเผลอไปคิดขณะนั้นขาดสติแต่ถ้ามีจิตสักแว บ, บหนึ่งรู้ว่าเมื่อกี้นี้เผลอไปแวบบนั้นมีสติรู้จิตนั้นฐานที่ตั้งของสติ รู้ได้สองที่มีสองที่ใหญ่ๆที่เราจะไปรู้คือรู้กายขณะนี้เดี๋ยวนี้กับรู้จิตเมื่อกี้นี้ที่เผลอไปแต่เมื่อกี้นี้แบบทันทีเผลอแล้วรู้ทันทีเผลอแล้วรู้ทันที พอรู้ว่าเผอแล้วมีความยินดียินร้ายตามมารู้ทันความยินดียินร้ายอีกความยินดียินร้ายแสดงความไม่เป็นกลางรู้ว่ามันไม่เป็นกลางแล้วก็กลับมารู้กายหายใจต่อ อาศัยกายที่กำลังหายใจนี้เป็นบ้านจิตเป็นผู้อาศัยอยู่กับกายอาศัยบ้านอยู่พอมันเผลอออกจากบ้านไปให้รู้ทันพอรู้แล้วไม่รู้จะทำอะไรต่อให้มันกลับบ้านอย่าปล่อยลอยไปข้างนอกกลับบ้านมาเริ่มต้นใหม่มารู้กายหายใจต่อ หายใจไปด้วยความรู้ตัวเผลอไปให้รู้ทัน เวลารู้กายเห็นกายหายใจไปเหมือนก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งที่หายใจได้มีจิตผู้รู้อยู่ต่างหากกายนี้ถูกรู้ตัวรู้อยู่ต่างหาก หายใจไปแล้วพอไปจิตมันเผลอบางทีจะเห็นความเคลื่อนของจิตเห็นกายหายใจด้วยความรู้สึกตัวและพอจิตมันเผลอไปฟังเผลอไปคิดมันจะมีการเคลื่อนถ้าเห็นความเคลื่อนได้ให้ดูความเคลื่อนของจิต ถ้าดูความเคลื่อนไม่ทันมันไปนเสวย อ, อารมณ์แล้วไปมีกิเลสมีความพอใจไม่พอใจมีโทสะให้รู้โทสะก็ได้โทสะถูกดูมีจิตผู้รู้อยู่ต่างหากสนใจในอาการของจิตของเราใส่ใจในการดูกาย ใส่ใจในการดูจิตของเราเวลามีโทสะเนี่ยมันจะแปลค่า สิ่งที่รับรู้มันจะไปรู้เรื่องแต่ตอนรู้โทสะรู้แค่ว่ามีอาการอะไรเกิดขึ้นกับจิตรู้ว่ามีโทสะเกิดขึ้นไม่ต้องรู้ว่ากโกรธใครโกรธอะไรหรือกโกรธเสียงอะไรรู้ว่ามีความโกรธเฉยๆความโกรธถูกรู้มีจิตรู้อยู่ต่างหาก พอรู้แล้วโกรธก็ดับขณะที่มีความโกรธเป็นขณะที่เป็นอกุศลขณะที่มีตัวรู้เป็นขณะที่มีสติเป็นกุศลเพราะฉะนั้นพอมีสติเกิดกุศลอกุศลก็ดับสติทําหน้าที่รักษาจิตเองเราไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปรักษาให้สติรักษา คือมีความรู้ตัวว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นในกลิ่นอาหารมีการอยากกินเกิดราคะ เกิดตัณหาให้รู้ทันตัณหาราคะที่เกิดขึ้นไม่ต้องรู้ว่ากลิ่นอะไรแต่รู้ว่ามีความอยากเกิดขึ้นรู้และชอบใจรู้ละไม่ชอบใจรู้ทันความชอบใจไม่ชอบใจที่เกิดขึ้น ไม่ต้องรู้ว่าไม่ชอบอะไรเพราะรู้ไปแล้วที่เราจะฝึกคือฝึกความรู้ตัวให้รู้ทันสภาวะที่เป็นของจริงแท้แทของจริงแ ท, แท้คือความรักความชังความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์พอใจไม่พอใจ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในใจเราให้รู้ทันความจริงเหล่านี้ความจริงเหล่านี้ถ้าเป็นกิเลสพอมีสติรู้กิเลสก็ดับเพราะกิเลสเป็นอกุศลตัวรู้เป็นกุศล และก็เผลออีกเผลออีกก็รู้อีกความเผลอกลายเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เอาไว้ให้สติรู้ราคะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเอาไว้ให้สติรู้โทสะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเอาไว้ให้สติรู้ความเผลอความหลงก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งให้สติรู้ ความฟุ้งซ่านก็อเอาไวร้รู้ความท้อแท้หดหูก็เอาไวร้รู้เหมือนกับกายที่หายใจนี้ก็เอาไว้รู้เหมือนกันมีสติรู้กายมีสติรู้ใจเห็นความเกิดดับเห็นความเปลี่ยนแปลง ถ้าเห็นความเกิดดับความเปลี่ยนแปลงความ ต, ตั้งอยู่นิ่งไม่ได้เห็นความเป็นไปของมันไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้เรียกว่าเริ่มเกิดปัญญาปัญญาในทางพุทธศาสนาคือมีปัญญาไปรู้ของจริงเพราะเรามีสติเห็นของจริงมีสติเห็นของจริง ของจริงจะแสดงความจริงให้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ asti, เป็นอนัตตามีความเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่นิ่งไม่ได้และกระบวนการเหล่านั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เราเห็นอย่างนี้เรียกว่าเกิดปัญญา แตเกิดปัญญาครั้งเดียวเห็นอนัตตาบ้างเห็นอนิจจังบ้างเห็นทุกขังบ้างเพียงครั้งเดียวยังไม่พอที่จะให้เกิดมรรคผลก็จเจริญสติอีกเห็นอีกเห็นซ้ำซ้ำจนพอพอคือมีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญา เกิดขึ้นในขณะจิตเดียวรวมกุศลเข้ามาทั้งหลายกุศลทั้งหลายที่เราฝึกมารวมมาอยู่ในขณะจิตเดียวแล้วเกิดปัญญาเป็นมรรคผลขึ้นมามีความรู้เห็นขึ้นมาว่ากายนี้ไม่ใช่เรารวมทั้งใจนี้ก็ไม่ใช่เราด้วย มีมรรคผลขึ้นขึ้นมาครั้งแรกความรู้ความเห็นก็คือกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเรียกว่าเข้าสู่กระแสพระนิพพานเป็นพระโสดาบันเป้าหมายเบื้องต้นของชาวพุทธที่พึงทําให้ได้ทําให้ถึงก็คือทําให้เกิดปัญญาในขั้นนี้ฝึกสติบ้างฝึกสมาธิบ้างหมั่นเจริญปัญญาบ้าง เพื่อให้เห็นความจริงสิ่งนี้ว่ากายนี้ไม่ใช่เราและใจนี้ไม่ใช่เราเมื่อเห็นความจริงในนี้แล้วในบ้านปลายก็จะเห็นสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญญาขั้นสุดท้าย ที่ประอาหารทั้งหลายท่านเห็นก็คือขันทั้งห้านี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่แค่ไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราด้วยและมันเป็นตัวทุกข์ด้วยพอเห็นขันห้าเป็นทุกข์มันก็ทิ้งขัน จิตทิ้งขันจิตทิ้งขันได้ก็กลายเป็นจิตที่พ้นทุกข์เพราะขันห้านี้เป็นตัวทุกข์ทิ้งไปได้แล้วก็พ้นจากทุกนี้แต่เบื้องต้นที่เราฝึกก็คือฝึกสร้างเหตุให้เกิดปัญญาเจริญสติบ้างเจริญสมาธิบ้างเจริญสติเห็นความจริงความจริงที่เกิดกับ กายขณะนี้เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นจิตเคลื่อนไหวเกิดสมาธิเห็นกิเลสที่เกิดกับจิตได้สติเห็นจิตเคลื่อนไปได้สมาธิเห็นกิเลสเกิดสติเห็นความไม่เป็นกลางได้ความเป็นกลางเกิดสมาธิ ถ้ามันยังไม่เดินปัญญาคิดนำก่อนบ้างก็ได้เมื่อสิ่งทั้งหลายที่เห็นอยู่นี้เมื่อกี้นี้ไม่เกิดตอนนี้เกิดขึ้นมาแสดงว่าไม่เที่ยงเห็นแล้วมันดับไปแสดงว่ามันไม่เที่ยงมันมีแล้วมีอยู่ได้ไม่นานเปลี่ยนแปลงไปแสดงว่าเป็นทุกข์ที่มันตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะถูกบีบคั้นแสดงทุกข์ มันฟุ้งซ่านไปทั้งๆที่อยากสงบมันไปเองไม่อยากให้จิตเคลื่อนหนีไปเลยมันไปฟังเสียงมันไปเองมันไปคิดมันไปเองเรามังคับไม่ได้เป็นอนัตตาแต่ให้รู้ทันว่าขณะนั้นคิดนำขณะที่รู้จริงๆไม่มีความคิดมีแต่ความรู้ มีแต่ความเข้าใจที่เกิดขึ้นเราพอสมควรสำหรับเช้า ว, วันนี้ที่ได้ฝึกเจริญกรรมฐานในรูปแบบก่อนจะออกจากการเจริญกรรมฐานในรูปแบบครั้งนี้ ทำความจดจ่อที mind, ่สองช่องจมูกสูดลมาใจเข้าลึกๆรู้สึกตัวขึ้นมาจดจ่อที่สองช่องจมูกหายใจเข้าลึกๆรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วทาความรู้สึกที่มือขวาค่อยๆเคลื่อนมือขวามาคว่ําที่เข่าด้านขวามือเคลื่อนไปมีใจรู้ทําความรู้สึกที่มือซ้ายเคลื่อนมือซ้ายมาคว่ำที่เข่าด้านซ้าย มือเคลื่อนไปมีใจรู้ตามความรู้สึกที่มือขวาเคลื่อนมือขวามาที่หน้าอกเตรียมพนมมือยกมือซ้ายมาประกบพนมมือเป็นดอกบัวตูมที่หน้าอกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทําตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขณะ น, นี้เวลานี้ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการการเจริญภาวนาบุญกุศลใดที่เราได้ทําแล้วปฏิบัติแล้วบําเพ็ญแล้ว ขอน้อมบูชาแด่พระรัตนตรยัยบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การปฏิบัตินี้ถ้าเป็นสิ่งมีค่าอันใดที่จะเป็นเครื่องบูชาแด่พระพุทธองค์ขอน้อมบูชาพระองค์ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบผู้สั่งสอนเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์ขอน้อมบูชาพระธรรมซึ่งเป็นเครื่องแสดงทางพ้นทุกข์นั้น ขอน้อมบูชาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ที่ได้ฟังคําสอนของพระพุทธองค์แล้วนําไปปฏิบัติรู้จริงเห็นจริงตามพระพุทธองค์เป็นพยานในการตัสรู้ขอน้อมบูชาอุทิศให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมอายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญมีพระประานาไมยแข็งแรงสมบูรณ์เป็นมิ่งขวัญแก่ประสกนิกาชาวไทยเป็นศาสนูประถมภพตมนุกบำรุงพุทธศาสนาให้คงอยู่ในแผ่นดินนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับรุ่นลูกรุ่นหลานสืบไปนึกถึงบุญกุศลแล้วก็อุทิศให้กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตสหายทั้งหลาย ให้ท่านเหล่านั้นได้มีความสุขผู้ใดมีบุญคุณกับชีวิตของเราขอตอบแทนบุญคุณเหล่านั้นด้วยการปฏิบัติบูบชาอันนี้อุทิศบุญกุศลให้กับท่านเหล่านั้นให้ท่านทั้งหลายอันโมทนาบุญมีพลังมีบรารมียิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปมีความสุขยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไป อุทิศให้กับพ่อแม่ในชาตินี้แล้วก็อุทิศให้กับพ่อแม่ทุกๆ พ, กพกทุกชาติแผ่เมตตาแผ่ไปถึงเหล่าเทพยญดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาพวกเราอยู่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้และเหล่าเทพพญดาที่ปกปักรักษาแผ่นดินปกปักรักษาป ร, ประเทศชาติของเราให้เทพ ย, ยดาเหล่านั้นได้มีพละได้มีกําลัง ได้มีบารมีมากยิ่งขึ้นให้ท่านเหล่านั้นได้ดูแลคนดีให้มีกำลังในการทำงานมากยิ่งขึ้นอุดหนุนกันและกันในการทำดีซึ่งกันและกันแผ่เมตตาไปจนถึงสัตว์ประสาททั้งหลายสัตว์ใดที่มีทุกข์อยู่ขอให้มาอนโมตนาบุญที่เราทั้งหลายในที่นี้อุทิศให้ถ้าท่านมีทุกข์ หาพ้นจากทุกนั้นไปสู่สุขติถ้ามีสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปเราทั้งหลายในที่นี้ก็จะตั้งใจบำเพ็ญภาวนาศึกษาในตัวคำของพระพุทธองค์นำมาปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนอธิษฐานเสร็จแล้วก็ยกมือขึ้นจบที่ศีรษะ แผ่เมตตาพร้อมกันอ bon. ีกครั้งัพเพสตาสัตว์ท <screen medal. S 1> ั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภพยาปัจ ช, ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อันนี้ขาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขอัตตานังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทิน